สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสัสนิษนทนากันอีกครั้งหนึ่งค่ะที่สถานีวิทยุเฟมร้ ว, 6, วิทยุครอบครัวข่าวหลังจากที่เราหยุดพักเสาร์อาทิตย์กันไปรายการนี้นะคะได้หยุดพักเสาร์อาทิตย์ก็ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมของทาง FM 106กกิจกรรมที่มีชื่อดีมากเลยนะคะเป็นเรื่องของการแชร์แชร์ที่หมายความว่าการแบ่งปัน ก็มีการจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศลคนไปโยนโบลิ่งนี่ล้นแล้วแต่เป็นคนดังดาราเยอะไปหมดเลยไปเห็นแล้วละลานตาแล้วก็สุดท้ายก็ด้วยการที่มอบเงินรายได้จากการที่มีผู้มาสนับสนุนองค์กรละ 30,000 บาทให้กับแต่ละองค์กรการกุศลรวม10องค์กรก็าหาเงินได้ไปส0 0 0สนบาทนะคะเห็นแล้วเป็นที่ชื่นใจในส่วนของรายการเราสัสนิยมสนทนาเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือ จากผู้ที่เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์คึกฤทธิปโสธิพโลแล้วก็เป็นผู้ที่ศรัทธ า, าแน่วแน่ในแนวทางพุทธวัรดทำวินัยจากพุทธโอษร์เหมือนอย่างกับรายการของเรานะคะก็คือคุณดุสิตเสงี่ยมศักตว์แห่งบริษัทเอเออุต ส, สาหกรรมจำกัดก็ได้มอบเงินจํานวนสามหมื่นบาทนี้ให้กับทางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นะคะที่จังหวัดชัยนาทผ่านพระอาจารย์ซึ่งอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีแต่เห็นแล้วก็ ชื่นใจแล้วก็ต้องอนุโมทนากับกิจกรรมที่ดีๆแบบนี้นะคะการจะสร้างความสุขในบางครั้งบ่อยครั้งด้วยมันไม่ได้เกิดจากการที่เราทำให้กับตัวเองแล้วบางทีเนะี่ยมันเป็นความสุขที่มันซาบซึ้งซาบซ่านได้มากกว่านะคะถ้าหากว่ามันเป็นการที่เราทำให้คนอื่นมันแปลกจริงๆไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเอ๊ะทำให้คนอื่นมันน่าจะมีความสุขน้อยกว่าทให้ตัวเองแต่ได้พบ ในที่สุดนะคะหลังจากที่ได้ผ่านทั้งการทำให้ตัวเองมาแล้วเยอะแยะก็ได้พบว่านี่เป็นเหตุผลที่ทำให้จึงมีการทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นกันสืบท อ, อต่อเนื่องเรื่อยมาและคงจะมีเรื่อยไปค่ะรายการสรนสนาสนทนาเรามีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันละประมาณครึ่งชั่วโมงมาถึงวันนี้เนี่ยเราก็ได้ อ่านพุทธประวัติจากพระโอส์ซึ่งจะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการจนกระทั่งจบเล่มใหญ่ไปแล้วถ้ารวมทั้งปกด้วยรวมทั้ง เ, เชิงอัดต่างๆนานาเนี่ยนะคะก็ <iin> จะห้าร้อยกว่าหน้ดาดังนั้นในวันนี้เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้สอดรับกับของที่ระลึก <S <S ซึ่งเรานำมามอบให้เป็นสศเพิ่มเติมจากการที่มอบหนังสือพุทธวัตฉบับก้าวย่างอย่างพุทธะให้กับท่านที่ขอมา ก็คือร8ตยแถาคตภาสิทิจะเอาไปไว้ในช่วงพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ที่เคยอ่านให้ฟังเพราะนั้นท่านก็จะได้พบกับพระอาจารย์ภับูลนักพิปร น, นเนี่ยนะคะสองช่วงเต็มเต็มทั้งในช่วงถามโลกตอบธรรมแล้วก็ในช่วงที่เราเคยอ่านพุทธประวัติให้กับท่านฟังได้ฟังกันคะ่ะในสัปดาห์นี้มันก็มีเรื่องที่เป็นประเด็นอยากจะมากราบเรียนถามท่านอาจารย์เยอะแยะไปหมดเลยอย่างกับ เรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าหน่อยนะคะก็มีประเด็นว่ามีการอถอดวัดที่ประเทศอสทศอสเตรเลียออกจากการเป็นสาขาของวัดหนองประพง์เหตุผลเพราะว่าไปกระทำการบวชภิกษุนีที่นั่นแล้วก็ทางพอสอหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการพระพุทธ ศ, ศาสนาแห่งชาติและมอสอหรือ มหาเถระสมาคมโดยคุณอำนาจบัวสิริเนี่ยก็ได้ออกมาบอกบอกว่าเมื่อไม่มีต้นสังกัดรับรองอย่างนี้ต่อไปเนี่ยในทางประเทศไทยทั้งพศออและม อ, อก็จะไม่สนับสนุนกิจกรรมของวัดนั้นการที่จะส่งพระธรรมทูต พักอยู่ที่นั่นต่อไปก็จะไม่อนุญาตอันนี้ข่าวออกมาในลักษณะนี้เนี่ยนะคะหลายคนจึงอยากทราบว่าประเด็นนี้เนี่ยพุทธวัดจะอธิบายอะไรให้คนเข้าใจได้มากขึ้นหรือไม่ว่าเพราะเหตุใดจึงบวชภิกษุนีแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเดี๋ยวมากราบเด่นถามพระอาจารย์พีบุญอภิปุณโนโ ด, ด้วยกันนะคะถามโลกตอบทาน การทั้ฟังค่ะหลายคนจดจ่อรอคอยเราก็มาถึงแล้วค่ะช่วงเวลาที่จะได้นมัส ก, การเรียนถามคําถามที่เป็นประเด็นของสังคมอยู่ในขณะนี้กับพระอาจารย์ภัยบูญณ์อภิปุนโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดดอนทานีในฐานะที่เป็นผู้ที่ศึกษาพระพุทธวจนะจากพระโอษของพระพุทธองค์นะคะนมัส ก, การค่ะท่านค่ะอาจารยพ์พรค่ะ พอดีเป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับอนะค ะ, ะก็เลยต้องมากราบเรียนถามแต่ว่าจะกราบเรียนถามในแง่ของหลักการคท่านคะเกี่ยวกับการบวชภิกษุณีนะค ะ, ะก็ไหนพระพุทธองค์บอกว่าพุทธบริษัทเนี่ยมีทั้งอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีแล้วเวลามีการบวชภิกษุณีอย่างนี้จึงได้เป็นประเด็นปัญหาถึงขนาดว่าต้องตัดขาดจากการเป็นวัดสาขากันคะอือคือเรื่องนี้เราต้องแยกประเด็นเป็น ที่เรามามองเห็นก็จะต้องเป็นสามส่วนแรกเนี่ยคือเรื่องการบวชภิกษุณีก่อนว่าเป็นไปตามธรรมวินัยหรือเปล่าก็ก็ต้องมาดูว่าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยว่าข้อกําหนดของการบวชภิกษุณีเนี่ยอุปชามาจากไหนมีองค์ประกอบอะไรบ้างอันนี้ประการที่หนึ่งก่อนประการที่สองก็คือว่าข้อปฏิบัติของภิกษุณีเหล่านั้นเนี่ยบวชแล้วเนี่ยแต่ละองค์แต่ละท่านปฏิบัติอย่างไรนี่ประการที่สองประการที่สามก็คือ การที่เรามาทะเลาะเบาแว้งหรือว่ามีความเห็นแตกแก้กันเนี่ยควรจะปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรเนาะเทีเราประเด็น <Okay. S 1> ประเด็นแรกคือข้ อ, อข้อมูลของการบวชพิกษณีเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้ชัดเจนในพิษุณีวิพังซึ่งอยู่ในส่วนที่เป็นวิลายปิฎก่ <Okay. S 1> ว่า อ, อุปชามาจากไหนกระบวนการการบวชเป็นยังไงทำกล่าวอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องถามว่า ที่เขาบวชภิกษณุณีเขาบวชตามกระบวนการนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็ไม่มีปัญหาทนะีนี้ว่าขั้นตอนของการมีอุปชาได้เนี่ยที่เาจะมาได้รวบรวมข้อมูลมาคร่าวๆก็คือว่าก็จะต้องเป็นการสืบต่อมาจากภิกษุณีรุ่นก่อนก่อนรุ่นก่อนก่อนคณะสงฆ์ไทยเนี่ยที่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าไม่ให้มีการบวชภิกษุณีเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้มีการสืบทอดภิกษุณีมา ตั้งแต่สมัยก่อนๆเราไม่เคยเห็นมีภิกษณุณีในอย่างน้อยก็ช่วง500ปีให้หลังนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเอาอุปชาที่ไหนมาบวชภิกษณุณีนี่คือความเห็นของพระบางองค์ของท่านอ่าแตนี้มาดูประเด็นที่สองว่าข้อปฏิบัติของภิกษุณีเหล่านั้นเนี่ยท่านทําอย่างไรคือพระเจ้าบัญญัติสิ่งที่เรียกว่าครุ ก, กรรมแปดประการไว้สําหรับให้ภิกษุณีเอาไว้ปฏิบัตินั่ น, นอกเหนือจากสีลทั้งหมดหลายร้อยข้อเหมือนกันแหละรู้สึกว่าจะมีกว่ามากกว่ า, าพระภิกษุด้วยซ้ํา คุณธรรมประการเนี่ยเป็นสิ่งที่ภิกษุณีต้องทอําเป็นอย่างแรกเลยอตราดแกรพระนามาซาบดีโกตมีที่มาขอบวชเป็นภิกษุณีองค์แรกเนี่ยว่าอันนี้นะต้องรับไว้ทําอย่างเต็มที่เหมือนกับรับเอาข้อกฎรุธรรมเนี่ยมาเป็นมาลัยสวมไว้บนหัวก็คืออันหนึ่งที่อาตาสังเกตเห็นก็คือว่าภิกษุณีเนี่ยจะต้องอยู่จําปัรษาในอาวะที่มีภิกษุอยู่ด้วย นะแล้วก็แม้ว่าภิกษุณีจะอุปโภบทมาร้อยปีเนี่ยก็ต้องทําการกราบไหว้ภิกษุที่อุปสมบทแม้ในวันนั้นอันนี้เป็นสองข้อที่ยกตัวอย่างมาให้ฟังให้เฉยเพราะฉะนั้นอถ้าภิกษุณีเหล่านั้นปฏิบัติตามนี้นะก็ก็ดีคืออีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเรื่องศีนเนี่ยเปรียบเสมือนกลิ่นหอมที่สามารถทวนลมได้แปลว่าคนอื่นเขาจะยอมรับเราหรือไม่ยอมรับเราเนี่ย ถ้าเราประพฤติดีทำดีเนี่ยเขาว่าเราด้วยเห็นมันไม่ได่าเงยบไปมคะประการที่สองก็คือว่าอ่าคนที่มีมีเรื่องราวคุยกันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรยกตนข่มท่านด้วยเหตุที่ว่าอ่าเราเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เรามีข้อดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คื อ, อเอาประพฤติพรหมจรรย์เนี่ย ที่ชุนีก็ดีพิกษุก็ดีที่บวชเข้ามาเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยไม่ได้หวังการกราบไหว้อยู่แล้วไม่ได้หวังว่าใครจะมาบูชาเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่เป็นเป็นเพศไหนเนี่ยเป็นคาลิหัตเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ประพฤติพรหมจรรย์ได้เหมือนกันอันนี้ความเห็นตาตมะพรพุทธเจ้าบอกนี้นะว่า เอาเลยถ้าเธอยังเป็นผู้มีอภิชามากมีจิตปัญญ า, าเป็นคนมักโกรธมีความผูกโกรธลบหลู่คุณท่านตีเสมอมีความนิสยามีความตำนีมีความอ้อวดมีมายามีความบาสนาราโมมีความเห็นผิดแล้วเนี่ยต่อให้เอาผ้าสังกติคมมาแต่เกิดเลยก็ไม่ได้เป็นพระเลยไม่ได้เป็นสวรรเลย<ะ>ถ้ายังไม่ลักคุณธรรมที่พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดเออเป็นคุณธรรมที่ถ้าเรียกโดยรวมว่าคุณธรรมอะไรคะ ออันนี้เป็นข้อที่ไม่ดีไงเป็นอกุศลธรรมมันเป็นอกุศลธรรมเป็นอกุศลถ้ายังมีอกุศลธรรมต่อให้โฮมสังคาติมาแต่เกิด<ะ>ก็ไม่ทําให้เกิดประโยชน์อะไรก็ไม่ไม่สามารถเรียกว่าเป็นสมณะได้ค่ะอันนี้ก็ต้องถามว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยคนอื่นพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างนี้บอกว่าเอ๊ะถ้าคนอื่นมาถามเธอเนี่ยเธอจะบอกว่าเธอเป็นไร่ค<ะ>่ะอ่อถ้าเราบอกว่าเราเป็นสมณะสายสกิรยบุตรเป็นสมณะในพระพุทธเจ้า เธอมีข้อปฏิบัติอย่างนี้ไหมมีอกุศลธรรมละไหมถ้ายังไม่ละเนี่ยเรียกตัวเองไม่ได้หรอกว่าเป็นสมณะต่อให้เอาผ้าห่มมาตั้งแต่เกิดเลยห่มสังกติมาตั้งแต่เกิดหรือโกนผมมาตั้งแต่เกิดหรือสวดมนต์ได้มาตั้งแต่เกิดหรือเอาตัวไปหมกไว้ในโคนเป็นข้อปฏิบัติหลายอย่างสําหรับผู้ที่ปฏิญญาว่าตัวเองเป็นสมณะนะ <c oughs> แต่ถ้ายังละความอาภิชามีจิตพยาบาทต่างๆเหล่าเนี้เป็นต้นเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นตราที่สมบูรณ์มาอย่างไง เพราะนั้นหนึ่งในนั้นก็คือมีการยกตัวข่มท่านมีความพยาบามมีความโอ้อวดอะไรต่างๆมีความเห็นผิดต่างๆเนี่ยต้องละให้หมดเพราะนั้นพระพุทธเจาก็สอนว่าอย่าทะเลาะกันเลยอย่าอาอย่าทําให้บาดหมางกันอย่ากล่าววาจาที่จะไม่เกิดการตุ้มเทียงกันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ทําสิ่งนั้นใช่ไหม <c oughs> เพราะนั้นประเด็งก็คือว่าแล้วคนที่เป็นปฏิญญาว่าตัวเองเป็นพิกษาณีอยู่ตอนเนี้ยเราทําให้เราดีนะ คนอื่นยอมรับไม่ยอมรับไม่เป็นไรนี้ไม่ใช่ประเดน็นเพราะเราบวชมานี่ไม่ได้เพื่อการยอมรับของคนอื่อ อ, อย่างพระที่อยู่ตามป่าตามเขาไม่สูงสิงกับใครเนี่ยมีปัจจัยสี่ตามมีตามได้ได้บ้างไม่ได้บ้างประนีตบ้างยาบ้างเนี่ยก็อยู่ได้พระที่มาหาพระพุทธเจ้านะหลังจากออกพรรษาเนี่ยมาหาพระพุทธเจ้าเนี่ย มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเนี่ยพระพู้เเจ้าจะถามก่อนเลยถามสารทุกขสุขดิดว่าเป็นยังไงถามว่าเธอยังอดทนประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้หรือคําถามที่สองที่พระเจ้ามักจะถามก็ถามว่าเธอยังพอใจในปัจจัยสี่ตามมีตามได้อยู่หรือถามแค่เนี้ยสองสามคำถามนี้แล้วก็จะชวนคุยธรรมเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ตรัสไว้เต็มที่เลยว่าพระองค์เองก็ประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยไม่ใช่เพื่อว่าลบล้างรัตจีอื่นให้ตกโลกไป ไม่ใช่เพื่อให้คนเขามานับถือไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นเจ้าลทัทธิไม่ใช่เพื่อลาบส ก, การะสรรเสริญแต่เพื่อดับทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่จะดับทุกข์เนี่ยอุบาสกก็ดับทุกข์ได้อาสิการมก็ดับทุกข์ได้ภิกษุก็ดับทุกข์ได้ภิกษุณีก็ดับทุกข์ได้ทั้งนั้นแหละผมผ้าสีใดก็ไม่มีสนาหรอกแลออ้วอาตมานะ <c oughs> แต่ประเด็นคืออย่าทะเลาะ ก, กันให้สามัคคีกันเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราทะเลาะ ก, กันเนี่ยมาเถียงกันว่าไ อ, อันนี้ถูกอันนี้ผิดมีจิตพยาบาทเนี่ยมันจะได้ช่องทันจะได้ช่อง ทางตาก็ทางหูว่าจะทําให้เราแตกกันแล้วก็จะเสื่อมจากคุณธรรมที่เรามีอยู่เพราะนั้นก็มีอะไรก็ค่อยๆพูดการมีเมตตาต่อกันอย่างนี้ค่ะสรุปแล้วสรุปแล้วก็คือว่าคนที่ <c oughs> เป็นอยู่นะที่สุนีที่ปฏิญญาก็เต็มที่สุนียทําให้ดีทําให้ถูกต้องตามศีลกลิ่นของเราทวนลมได้นะผู้ที่เห็นว่าอันนี้ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปดา่าเราไม่ต้องยกตรงขมท่านเราก็ค่อยดูไปว่าเขาทํำยังไง แต <Okay. S 2> นะ่แล้วพระพุทธเจ้าก็ค่อนข้างอ่อนตัวในเรื่องนี้ว่าเอาถ้ามติทร์เป็นอย่างไรก็ปรับแก้กันได้ตามเรื่องตามราวแต่อย่างแรกเนี่ยภิกษุณีต้องทำให้ถูกตามศีนก่อนพิมพนะ์สิยาประเด็นนะคะขออนุ ญ, ญาตที่จะทําความเข้าใจให้ชัดเจนเนิดหนึ่งว่าถ้าเป็นเรื่องของบัญญัติในครั้งพุทธการแล้วเนี่ยจริงอยู่ให้หมู่ของอพุทธบริษัทมีภิกษุณีเป็นหนึ่งในสีนั้นด้วยแต่ สำหรับประเทศไทยแล้วถ้าตามกระบวนการในพุทธวจนะที่เป็นวินยัยที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้เนี่ยจะต้องได้รับการบวชโดยพระอุปชาที่มีการสืบทอดกันมาทีนี้ในเมืองไทยไม่มีการสืบทอดกันมาถ้าสืบคน้นไปในระยะห้าร้อยปีนะไม่มีถูกต้องแล้วก็อันนี้นี่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียได้ค่ะแต่บังเอิญไปไม่สอดคล้องกับวินัยหรือไงคะ ก็คือว่าการบวชเนี่ยเราอาจามาก็ไม่ทราบรายละเอียดว่าบวชสองครั้งหรือเปล่าครั้งแรกเนี่ยต้องบวชโดยหมู่ภิกษุณีครั้งที่สองเนี่ยต้องรองรับโดยหมู่ภิกษุนะสำหรับภิกษุณีที่จะบวชอันนี้อาจมาก็ไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้อ๋อคือถ้าถ้าตามตามวินัยที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องมีการบวชเป็นสองครั้งด้วยกันหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าบวชครั้งแรกเนี่ยเป็นการบวชที่ถูกต้องตามพระวินัยครั้งที่สองเนี่ยที่ทําทําโดยภิกษุเนี่ยคือเพื่อ อ่ายอมรับเข้าหมูแล้วโอเคเราฮะเทคโนโลยหรือว่ารับคนนี้นะรับรู้แล้วว่าเอาผู้นี้เป็นดิสนีย์นี่คือตามตามอ่าพรวินัยบัญญัตินะค่ะคือเท่ากับว่าทําความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะคือบวชครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็บวชโดยกระบวนการที่ถูกต้องตามพุทธบัญญัติคือต้องมีพ<ม>ระประชฌาย์มีอุปกรณ์ครบคบริฐานต่างๆต้องมีพร้อมค่ะโดยที่จะต้องสามารถทำฆ่ารุกกรรม แประการที่พระพุทธองค์บัญญัติไม่ได้นะคะแล้วก็จะต้องรักษาศีลอีกเป็นจํานวนมากซึ่งมากกว่าภิกษุรักษามากกว่านี่ท่านพอจะมีตัวเลขที่ชัดเจนไหมคะตัวเลขนี้เนี่ยที่ระบุไว้ก็คือ311ร้อยสิข้อแต่จะมาต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนว่า31มข้อเนี่ยเป็นอะไรมาอย่างไงบ้างน ะ, ค, ะคือคําคตอบในเบื้องต้นที่พบอยู่คือ311ข้อซึ่งมากเหลือเกินนะคะแล้วก็ยังกําหนดว่า ไม่ว่าจะบวชมานานเพียงใดก็ต้องเคารพพระภิกษุสงฆ์เหรอคะถึงแม้ว่าจะเป็นพระที่บวชทีหลังใช่ไหมคะอ้าวแล้วก็จะไปสร้างวัดอยู่ลําพังไม่ได้ต้องอยู่ในวัดที่มีพระภิกษุอยู่ด้วยนะคะอันนี้เป็นความรู้คร่าวๆแต่ว่าเนื่องจากรายละเอียดของข่าวที่เกิดขึ้นมากๆเนี่ยท่าอาจารย์ก็ยังไม่ทราบละเอียดขนาดที่จะตัดสินฟันธงไปได้ที่อนุมัติฟันธงได้ตอนนี้เลย<า>คือว่าอย่าทะเลาะ ก, กัน ปามื่คีกันค่ะไม่พูดค่อยจ่าที่อนามาฝันตรงได้เพราะอะไรการชาละการพระรุจ่าไม่สนับสนุนค่ะทำยังไงล่ะก็ค่อยพูดค่อยจาการปรึกษากันมีอธิการเราระงับด้วยระเบียบวิธีการระงับอธิการอันนี้ถึงจะเป็นไปโดยทัรค่ะแต่จริงๆแล้วเมื่อมาสรุปอีกส่วนหนึ่งก็หมายความว่าใครก็แล้วแต่ที่ต้องการที่จะประพฤติปฏิบัต อยู่ในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นจะมีกลิ่นหอมหวนทวนลมก็ด้วยวิถีแห่งการประพฤ<ๆ>ติปฏิบัติถูกไหมคะในศีลถูกต้องนะคะถ้าถ้าเรามีศีลอยู่เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยค่กลิ่นของเราทวนลมได้เขายอมรับเองปฏิบัติให้ถูกมีศีลอยู่แค่นี้เองอย่างที่คุณโยมสารสนีเคยถามอาตมา ก, ก่อนๆเล้วว่าเอ๊ะพระไม่ดีทํำยังไงอาตมาไม่กลัวเลยเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติดีเนี่ย กลอเราก็ทนลงไปอันที่หนึ่งอันที่สองพวกไม่ดีแต่ก็ต้องเสื่มถอยจากทําไว้วในนี้เองออก็แค่นี้เราก็สบายอ๋อค่ะค่ะงั้นก็คงจ ะ, ะได้ความกระจ่างกันในระดับที่น่าพึงพอใจสําหรับประเด็นนี้นะค ะ, ะเพราะว่าไม่ได้ลงไปในรายละเอียดเรื่องข้อเท็จจริงเนื่องจากเราไม่มีรายละเอียดเรื่องข้อเท็จจริงเท่ากับที่ท่านที่เป็นผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมี แต่ว่าเราก็อ่านมาตามข่าวและรายการนี้ก็นําเสนอเรื่องของหลักการและเหลักการสําคัญด้วยก็คือเป็นหลักคําสอนของพระพุทธองค์ที่เรียกว่าเป็นธรรมวินัยเน้นจากพุทธโอษที่เราเรียกว่าพุทธวัจนะนั่นเองนะคะวันนี้ก็มาส ก, การเดียวมีมีอีกเรื่องหนึ่งคือประเด็นที่ว่าการขอเข้ามาของผู้ที่จะทําการมบวญมาในธรรมวินัยนี้อ๋อค่ะ คือค่ะก็งั้นก็รบกวนเรียนถามเลยก็ได้เพราะว่าในตอนต้นของรายการนีค่ะท่านฟังดีฉันได้กราบเรียนถามพระอาจารย์เผื่อเป็นการเตรียมตัวเอาไว้ว่าในข่าวเหมือนกันมีความน่าสนใจเกี่ยวกับการที่วิศวกรซึ่งมีปัญหาข้อหาจรกรรมแล้วก็พ้นมาได้ด้วยการพระราชทานอภัยโทษ uh huh. ของกรรษัตริย์ฝั่งกัมพูชาพกลับมาเมืองไทยเมืองไทยก็มาถามเกี่ยวกับเรื่องของเลขานุ ก, การของทูต ซึ่งเป็นคนที่โทรศัพท์ติดต่อสอบถามการขึ้นลงของเครื่องบินของท่านอดีตนายกจนกระทั่งเป็นปัญหาเกิดขึ้นมาถึงวันนี้และพอมาถึงล่าสุดก่อนหน้ามจรายการก็ทราบว่าวิศวกรท่านนั้นท่านบอกโอโหสิกรรมเพราะจะบวชแล้ว ดิฉันก็เลยอยากทราบว่าเออก่อนบวชนี่จําเป็นหรือไม่ต้องอโหสิกรรมหรือว่าต้องไปขออโหสิกรรมเพราะจะมีข่าวหรือจะมีข้อเท็จจริงที่ทําให้เรารับทราบสำนองนี้มีคนมาขอนัดนะจะมาขอลาบวช อ, อ่าแล้วก็จะมีบอกว่าพิมพ์ในกาศใช่ไหมคะขออ้ออาถ้าข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวรจิกรรมมโนกรรมออขออโหสิกรรม สรุปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นการมาคลิปทีหลังหรือว่ามีมานานแล้วคะแล้วก็เพราะเหตุใดจึงต้องมี อ, อเรื่องการขอเข้ามาซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นเริยะประเยแนี้คณะเราเนี่ยเมื่อเข้าพรรษาแล้วหรือออกพรรษาแล้วเนี่ยเราก็จะไปหาครูบาอาจารย์ที่เรา น, นับถือแล้วก็ขอเข้ามาท่านเพื่อให้การปฏิบัติของเราดีขึ้นส่วนผู้ที่รับขอเข้ามาเนี่ยก็ขอเข้ามากลับเหมือนกันนั้นในโดยในยที่ว่าถ้าประมาทพลาดทา ง, <c oughs> ทงก็ขอให้ออกหัวกรรมซึ่งกันและกันเ <c oughs> ป็นไปตามธรรมก็ว่าอะไรเพราะว่าความนอบน้อมถ่อมตน เป็นคุณธรรมของพระอริยเจา้าอันนี้ประการที่หนึ่งใ น, นขณะเดียวกันผู้ที่จะบวชเนี่ยพระรูาบัญญัติว่าอะไรคุณต้องมีอุปชาคุณต้องมีบริการแต่คุณต้องมีสถานที่ที่บวชเป็นเส ม, มาที่อนุญาตถูก ต, ต้องสามพระวินัยโอเคบวชได้เพราะฉะนั้นเรื่องการขอขามาเนี่ยเป็นเรื่องการทําจิตของผู้ที่จะบวชว่าโอ้เขาจะสลักออกจากบ้านเรือนเนี่ยไปอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยไม่ต้องการที่จะผูกกดผู้ใด ันขอขโอโหสิกรรมให้ทุกท่านอันนี้เป็นประการที่หนึ่งของสําหรับคนที่จะบวชสำหรับคนข้างนอกนะสำหรับหน้าที่จะบวชเนี่ยเมื่อไปขอขอมาผู้อื่นก็คือว่าไม่อยากให้ผู้อื่นเนี่ยมันมาผูกโกรธตนเพราะว่าถ้าตนเป็นภิกษุแล้วเนี่ยการมาโกรธมาเครียดแค้นกันเนี่ยมันจะไม่ดีสําหรับฝ่ายนูน้นเพราะฉะนั้นก็คือขอเข้ามาซึ่งกันและกันอันนี้เป็นอ่าสิ่งที่คนกระทําอยู่สิ่งที่คกนกระทําแต่ว่าเป็นพุทธบัญญัติไหมครับท่านถ้าโดยการบวชเนี่ยไม่ไม่เป็น อไม่จําเป็นว่าต้องไปขอแล้วถึงบวชได้ไม่ขอก็บวชได้เหมือนกันแต่ไม่ถึงไม่ขอเข้ามานะแต่ต้องขออนญุญาตบิดามารดาค่ะแต่ว่าเป็นประเพณีของอริยะในเรื่องของความน้อมน้อมถ่อมตนแล้วก็จะทําให้การที่ไปบวชหากเป็นคนที่ได้เคยล่วงเกินใครไว้มากๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้อาจจะไปรบกวนในการประพฤติพรหมจรรย์หรือยังไงคะแน่นอนเพราะว่าการประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยคือการละวางค่ะไมได้่าป่ามาภูกระดบอีกประการหนึ่งที่อาจามามองก็คือว่า การบวชเนี่ยมันเหมือนกับคนที่กเกษียณจากบ้านเรือนแต่ว่าอายุหกสิบเนี่ยช่วงกเกษียณอายุที่ผ่านมานคือกเกษียณจากออฟฟิศเนี่ยกเกษียณจากหน้าที่การงานเนี่ยเราจะไปยุ่งอะไรกับหน้าที่การงานเขาไม่ได้เลยนะคุณไม่มีอำนาจในการสั่งการกต่อไปไม่ได้รับเงินเดือนไม่เกี่ยวนอกจากเขาจะเชิญไปช่วยเ mm. ช่นเดียวกันคือการบวชนี่คือการเหมือนกับว่ากเกษียณจากบ้านเรือนหมดอะไม่ได้ไปยุ่งกับญาติพี่น้องอะไรต่งตงตางๆนะมาปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นดีกว่าลักษณะนี้ เรนเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก่อนเกษียณเนี่ยบุคคลที่เกษียณเขาก็จะมีการเรียกร้องลาขอเข้ามาขอโทษรุ่งเกินกันไปยกโทษให้อะไรลักษณะนี้เหมือนกันอืมค่ะแต่เห็นมีกุลบุตรบางท่านนะคะที่มีเพื่อนเยอะๆนี่ก่อนบวชนี่ขอเขาเรียกอะไรสนุกให้สุดเวี่ยงก่อนแล้ว <c oughs> <c oughs> ค่อยแล้วค่อยบวชท่านอาจคะและในกรณีที่เราไม่ได้ไปขอเข้ามาผู้ใดเราตั้งจิตเอาได้ไหมคะได้ก็ขอเข้ามาด้วยททางใจนะคะแต่ว่า เป็นประเพณีของอารยะค่ะก็<อ>เป็นความรู้ที่ท่านฟังที่ฟังรายการสันสนีสนทนาได้รับกันไปเต็มๆจากการที่มีข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นมาแล้วก็เลยทำให้เราเกิดข้อสงสัยและก็ได้ความรู้ไปนะคะพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษ์ซึ่งท่าอาจารย์ภับุญพิปุญโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้ที่นำมาอ่า ขยายความแต่วันนี้ต้องนิมนต์ท่านอยู่ต่อนะคะเพราะว่าในช่วงท้ายเดี๋ยวจะยกให้ท่านเกี่ยวกับเรื่องของร้อตถาคตพาสิจะได้ขยายความให้คนที่ได้รับสกสที่เป็น80อตาคตพาสิปเปนี่ยได้เข้าใจในแต่ละหัวข้อว่ามีความสำคัญอย่างไรหมายความอย่างไรนะคะใช่ได้สักครู่คะ่ะค่ะถามโลกตอบทาน ท่านฟังข้ามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเนื่องจากเราอ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ให้ฟังกันจนจบแล้วและตอนนี้เรากำลังแจกร้อยแปดตถาคตภาสิทธิ์เป็นสคสอแผ่นพับที่สมบูรณ์พอสมควรทีเดียวนะคะสำหรับคำของตถาคตหรือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะมีตั้งร้อยแปดเรื่องเนี่ยก็จะให้ท่านอาจารย์ไับูรณ์แภิพุณโณซึ่งเป็นผู้ จัดทำมาเนี้นะคะได้ช่วยชี้แจงอธิบายในคําสอนของพระพุทธองค์แต่ละคาถาของตถาคตเนีคะพาษิทธิ์ของตถาคตถ้าอาจารย์ยังอยู่นะคะค่ะก็วันนี้จะอธิบายเรื่องคาถาที่เท่าไหร่ดีคะนี่จะพูดถึงคาถาที่75ห้าคาถาที่75็ดสิบห้าค่ะเจตรัสว่าเมื่อเธอตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดมากๆาิดย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้น หมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าถ้าเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆเนี่ยเราจะเป็นอย่างนั้นจริงเราจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าคิดเรื่องอกุศลให้คิดเรื่องกุศลอย่าคิดว่าลูกมันจะเป็นคนไม่ดีติดยาเสพตยาไปคิดเรื่องนั้นให้คิดว่าเราจะทำไงให้ลูกเราดีขึ้นมาอย่าไปคิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีทําอย่างนั้นไม่ได้คนนี้คิดชั่วกับเราอย่าคิดคิดแต่ว่าเราทำไงถึงเราจะเป็นคนดีค่ะถ้าอาจารย์คะงั้นเดี๋ยวจะสมมุตินะคะถ้าสมมติดีฉัน ก็เลยรู้สึกว่าเออเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยไม่ดีเลยคิดว่าไอ้ตอนนี้เราไม่มีงานทํามากมายเหมือนเมื่อก่อนนะเราก็เลยเปลี่ยนความคิดโอ้ตอนนี้ชีวิตฉันดีจังเลยมองไปทางไหนฟ้าใสาฟ้าสวยไปหมดแล้วมันจะดีขึ้นตามความคิดเหรอคะถูกต้องเพราะว่าพุทธเจ้าตรัสว่าจิตจิตนะย่อมน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นคือจิตเนี่ยก็จะไปก้าวลงในอริยณะต่างๆที่ทําให้เราอย่างน้อยก็เป็นสุขในวินาทีนั้นออเมื่อเธอตรึกตาม รองตามถึงอารมณ์ใดๆมากๆจิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้น <S <S <S <S อย่างนั้นคาถาที่75ใน108ร้อยปดคถาคตภพาสิทธิ์ที่กำลังแจกอยู่ค่ะถ้านอาจารย์ข้ ง, งั้นขออนุญาตที่จะนมัส ก, การขอบพระคุณท่านอาจารย์เพื่อที่จะได้โฆษณาว่าทุกท่านจะมีโอกาสได้รับสอสนี้อย่างไรนะคะน้ำมัสการขอบพระคุณท่านแม่แนโอกาสนี้ค่ะพรออะเจ้าฟังค่ะติดต่อมานะคะที่สถานีวิทยุ f m ฟเอ รายการสัมมนีสนทนาหมายเลขโทรศัพท์นะคะ02 269 0006นะคะ02 269 0006ตอนนี้เราใช้เบอร์เดียวเลยเพื่อจะได้เกิดความชัดเจนแน่นอนไม่สับสนในการทำงานค่ะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะหนังสือพุทธวัตฉบับ9้าย่างอย่างพุทธะนั้นก็ยังแจกกันอยู่ดิฉันอยากจะให้ ถ้าขอไปแล้วขอให้อ่านนะคะเพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่เพราะว่าลูกศิษย์ของท่านอาจารย์คือคริส์โสติพโลนั้นก็มีความตั้งใจกันมากสละทุนทรัพย์ในการที่สร้างกันอย่างไม่ขาดสายเพราะเห็นคุณค่าของการที่จะให้คนได้เข้าถึงคําสอนของพระพุทธองค์มากที่สุดเป็นการให้ทำซึ่งล้าค่ามากก็ขอให้ท่านได้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 เข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน